เรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องจากคุณบอยฉีดปลวกนะคะให้ชื่อเรื่องว่าเสียงกระซิบจากศพค่ะถอดเนื้อหามาจากรายการ t h e s h o c k แล้วก็รายการ th อะกลอสเรดินะคะซึ่งคุณนะ่คุณบอยฉีดปลวกบอกว่าเป็นเหตุการณ์ของเพื่อนที่เป็นหมอได้นำมาเล่าให้คุณบอยฟังเมื่อประมาณสองถึงสามเดือนก่อนเพื่อนได้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็วันนั้นได้อยู่เวรด แต่เพราะว่าเวลานั้นไม่ได้มีงานอะไรมากนากัก น, นะคะเพื่อนก็เลยออกไปเดินเล่นด้านนอกตึกช่วงเวลานั้นเป็นเวลาประมาณตี2กว่าค่ะบรรยากาศในเวลานั้นก็เงียบสงัดแล้วก็มืดมากมีไฟดวงเล็ ก, ลกๆตั้งอยู่ข้างทางเดินเป็นระยะมีลมพัดอ่อนๆ น, นะคะคล้ากับเสียงของแมลงที่กำลังร้องประสานเสียงกันอย่างเมามันแต่ว่าชั่วขณะนั้นคุณบู้ฟัง มันก็เหมือนมีลมเย็นๆ เ, เ, เบาๆพัดเข้ามาตรงแถวหูด้านซ้ายจนทำให้ขนลุกนะคะมันเป็นลมเย็นค่ะเหมือนกับว่ามีใครบางคนเนี่ยเป่าฮลลมใส่หูมากกว่าการที่เป็นลมที่เกิดจากธรรมชาติเพื่อนก็เลยรีบหันกลับไปมองด้านหลังทันทีก็พบเพียงแค่ทางเดินที่ว่างเปล่าทอดยาวไปจนถึงมุมตึกของอีกด้านแม้ว่าจะมีโคมไฟตั้งอยู่ทางเดินแต่ว่ามันก็ ไม่ได้ติดกันมากนักนะคะก็เลยทำให้เกิดช่วงที่มืดทึบกับช่วงที่สว่างสวัยไปจนสุดทางเดินก็เป็นภาพที่ทำให้ใจเนี่ยมันรู้สึกหวงเวงแปลกๆพี่กนแต่ว่าเพื่อนก็พยายามไม่ใส่ใจค่ะคิดซะว่ามันคงเป็นเรื่องปกติของที่นี่ก็เลยหันตัวกลับแล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อก้าวออกไปยังไม่ถึง3ก้าวนะคะลมแปลกๆมันก็พัดเข้ามาที่หูด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พัดมาด้านขวาอีกทีหนึ่ง เพื่อนนี่ก็ตกใจค่ะรีบหันมองกลับหลังทันทีก็พบเพียงแค่ความว่างเปล่าเช่นเดิมเมื่อคิดในใจว่ามันต้องเป็นลมจากปากคนแน่ๆมีใครมาเล่นตลกอะไรหรือเปล่าแต่พอลองมองดูจนทั่วบริเวณก็ไม่พบใครสักคนหนึ่งเลยนะคะมีเพียงแค่ความมืดกับเสียงแมลงกลางคืนที่เปล่งเสียงร้องกันระงมเพื่อนก็พยายามข่มความกลัวเอาไว้แล้วก็รีบเดินจ้ำต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองกลัวอะไร และเหตุการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่และทีนี้คือเมื่อเดินมาจนถึงมุมตึกแล้วก็เลี้ยวตรงหัวมุมแต่ก็ต้องชะ ง, งักเท้าทันทีค่ะพร้อมกับหัวใจที่หล่นลงไปถึงตาตุ่มเมื่อรู้สึกได้เลยนะคะว่าเส้นผมบนหัวนี่มันเริ่มตั้งขึ้นเรื่อยสิ่งที่เห็นคือภาพผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ชิดผนังตึกแต่ที่น่ากลัวคือหัวของผู้ชายคนนั้นคุณผู้ฟังมันจมเข้าไปในผนังของตึกทั้งหัวเลยไม่สวมเสือ้อ สวมแต่กางเกงยีนค่ะตัวซีดเซียวแขนทั้งสองข้างลู่ลงข้างลำตัวถ้ามองไกลๆนะอาจจะคิดว่าเป็นศพหัวขาดที่ยืนหันหน้าเข้าผนังตึกแต่ว่าเพื่อนที่ยืนห่างจากสิ่งนั้นแค่ 2-3 ถึงก้าวยืนยันได้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือส่วนหัวของผู้ชายคนนั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันจมเข้าไปในกำแพงเพื่อนยืนอึง้งขาตายจนทาอะไรไม่ถูกแต่ว่าในช่วงอึดใจนั้นค่ะ มันเหมือนได้ยินเสียงคนกระแอมมาจากด้านหลังก็เลยทำให้เพื่อนเนี่ยสะดุ้งจนตัวโกง่งรีบหันไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรค่ะนอกจากความว่างเปล่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดเพื่อนก็เลยรีบหันกลับมาดูสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่มันยืนอยู่ข้างผนังตึกแต่ว่าสิ่งนั้นหายไปแล้วทำให้เพื่อนรู้สึกโล่งใจเหมือนยกอะไรหนักๆออกจากอกได้ แร่ว่าความหวาดวิตกเนี่ยมันยังไม่ได้หายไปกับความกับผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหน้านะเพราะว่าความสงสัยใคร้รู้เพื่อนก็เลยลองจ้องดูที่ผนังกำแพงเนี่ยว่าตรงจุดที่ผู้ชายคนนั้นเอาหัวมุดเข้าไปเนี่ยแต่มันมีเสียงเย็นยะเยือกของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังบอกว่าช่วยหาผมให้เจอหน่อยลักษณะของเสียงจะทุ้มๆเย็นๆทําให้เพื่อนต้องเผลอร้องเฮือกออกมาเสียงดังค่ะเพราะความตกใจปนความหวาดผวา เนื้อตัวเย็นเฉียบจนขยับตัวไม่ได้ในใจก็พยายามแย้งตัวเองนะคะว่าเราเป็นหมอเราควรเชื่อในสิ่งที่มันพิสูจน์ได้มากกว่าสิ่งที่มันน่ากังขาเช่นนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะมีตัวตนอยู่จริงแต่ทั้งทางที่พยายามเชื่อความคิดแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ทําให้ความหวาดกลัวหรือว่าหวาดระแวงนิดน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เอาเถอะ ถ้างั้นก็คิดซะว่าง่วงนอนจนตาลายหรือเพลียจากการทำงานมาทั้งวันจนทำให้มโนภาพก็แล้วกันมันก็จะได้ดูมีเหตุมีผลขึ้นมาหน่อยนะคะเมื่อคิดได้เช่นนั้นค่ะคุณหมอคนนี้เนี่ยก็หันหลังกลับแล้วก็เดินกลับไปทางเดิมคือไม่มีอารมณ์จะเดินกินลมเล่นต่อไปแต่ยังไม่ทันจะเดินพ้นโค้งคุณผู้ฟังหมอคนนี้ก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงดังตุ๊บ มาจากผนังจุดที่เกิดเหตุมันเหมือนเสียงคนเอากำปั้นทุบเข้ากับผนังเพื่อนก็รีบหันกลับไปดูเพราะความตกใจภาพที่เห็นมันชัดเจนจนทำให้เพื่อนนี่ขาสัน่นในหัวไม่สามารถคิดหาเอาทฤษฎีอะไรมาหักล้างได้อีกต่อไปเนื่องจากผู้ชายคนนั้นกลับมายืนเอาหัวมุดผนังอยู่ตรงจุดเดิมแต่ครั้งนี้ยืนเอาเท้า เตะผนังไปด้วยนะคะคือเตะผนังในจุดที่เอาหัวมุดนี่แหละจนเสียงดังตุ๊บๆนะคะเพื่อนหมุนตัวกลับแล้วออกเดินมาทันทีค่ะรู้สึกจิตตกเหมือนร่างกายมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วนะคะอาจจะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ปกติทั่วไปเนาะซึ่งมักจะหลีกหนีจากสิ่งที่น่าหวาดกลัวหวาดผวาแต่ว่าตลอดระยะทางที่เดินกลับคุณผู้ฟัง เพื่อนได้ยินเสียงเหมือนมีคนเป่าลมเข้าที่หูทั้งสองข้างมาตลอดทางและเสียงกระซิบว่าหาผมทีหาผมทีน้ำเสียงเบาเยเย็นแต่ว่าแฝงไปด้วยความร้อนรนทุกทรมาน เพื่อนยืนยันได้ค่ะว่านี่ไม่ใช่อาการของคนหวาดกลัวจนจิตปรุงแต่งไปเองมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ยือนอยู่ในตัวอาคารแต่ว่าด้านในตึกเวลานั้นมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ส่งเสียงเอะอะเล็กน้อยจับใจความได้นะคะว่ามาขอรับศพซึ่งมันนานแล้วก็ยังไม่ได้ศพญาติเจ้าของศพได้จ้างรถมู ล, ลนิธิให้เคลื่อนย้ายศพแต่ว่าศพ ยังไม่ไปถึงจุดที่ต้องการให้ไปส่งเพื่อนก็เลยเดินเข้าไปร่วมวงด้วยเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้เมื่อลองมองดูภาพของผู้เสียชีวิตค่ะเพื่อนก็ร้องอา้าวออกมาทันทีเพราะจําได้นะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนผ่าตัดเคสนี้เองกับมือและตนเองก็เป็นคนเซ็นอนุมัติให้เคลื่อนย้ายศพได้ก็เลยเกิดความมึนงงว่าเอ๊ะทำไมศพยังไม่ถึงเพื่อนก็เลยให้ทุกคนเพื่อนก็คือคนที่เป็นหมอเนี่ยนะคะ ก็เลยให้ทุกคนตามหาคนที่รับศพไปสุดท้ายก็ยังหาทางออกไม่เจอจนต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนะคะทางตำรวจจึงไปตามบุคคลที่เคลื่อนย้ายศพและพบนะคะว่ากลุ่มคนดังกล่าวนี่เป็นกลุ่มที่ทำการขโมยศพค่ะเพื่อเอาชิ้นส่วนอวัยวะภายในไปแยกส่วนขายและทางตำรวจก็พบเข้ากับศพที่ทางโรงพยาบาลกาลังตามหาอยู่กลุ่มคนร้ายกาลังจะแยกอวัยวะอยู่พอดีเลยซึ่งนับว่าโชคดี ที่ศพเนี่ยยังไม่ถูกแยกส่วนซะก่อนทางตำรวจจึงได้นําศพคืนสู่ญาติเหตุการณ์ผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งเดือนค่ะเพื่อนที่เป็นหมอเจ้าของเรื่องคนนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงได้ไปเดินเล่นที่จุดเดิมและก็เวลาเดิมทั้งๆที่อยู่คนเดียวแต่ว่าหูเนี่ยกลับได้ยินเสียงเย็นๆลอยมาตามลมบอกว่าขอบคุณและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องนี้ค่ะ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 ตัวผอมๆหน้าแหลมๆออกสีคล้ำๆก้มๆเงยๆเหมือนกำลังหาอะไรอยู่ในรถนะคะคุณวาก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นทําไมกําลังหาอะไรอยู่แล้วมาตอนไหนเพราะว่าคุณวาไมแ่แน่ใจเลยนะคะว่าทีแรกเนี่ยไม่ได้เจอใครเลยในบริเวณนี้ผู้ชายคนนั้นค่ะก็เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาของก้มหรือก้มร ữ, ือตรงนั้นทีตรงนี้ทีคุณวาก็จ้องมองดูด้วยความสงสัย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 และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะเคยโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยในรายการผีชื่อดังของไทยเราแล้วก็บีขออนุญาตถอดใจความจากรายการเหล่านี้เนี่ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังต่อเผื่อว่าหลายๆท่านเนะะี่ยอาจจะไม่เคยได้ฟังเรื่องพวกนี้เลยนะคะหมดเวลาสำหรับพระเจอผีประจำคลิปนี้แล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไป พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ